ก็อยู่ที่จิตใจนะถ้าจิตใจของเรานี้มีธรรมะนะจิตใจของเรามีธรรมะในใจล้วก็ว่ามีปัญญาเราก็จะแก้ไขความรู้สึกที่ใจของเราได้เพราะใจนี้เป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้า พระบาลีก็ตัดว่าในเรื่องของใจเป็นสำคัญมนโนบุพังคมามามโนเศษฐามนโนมยาสิ่งทั้งหลายมีใจนี้ถึงก่อนใจเป็นตัวกระเริดสำเร็จแล้วด้วยใจเราจะสร้างความดีก็อยู่ที่ใจของเราได้ดำริ ในการสร้างความดีก็สําเร็จที่ใจการจะสร้างกรรมที่ไม่ดีก็ใจดวงนี้เหมือนกันมันสร้างกรรมไม่ดีก็สําเร็จแล้วด้วยใจแต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติภาวนานี่จะพัฒนาใจดวงนี้ให้มันดีขึ้น โดยการฝึกสมาธิสมาธินี้หมายว่าความตั้งใจมั่นนะตั้งใจมั่นสมาธิที่เรามีอยู่ทุกวันก็เป็นสมาธิที่เราทำกิจการงานน้อยใหญ่ได้สำเร็จมีความตั้งใจมั่นในการงานนั้นๆสมาธิในการ ภาวนาก็เป็นสมาธิที่มีความตั้งใจมั่นมากกว่าปกติธรรมดาถ้าจิตของเรามันมั่นมันนิ่งเราก็จะมองเห็นความรู้สึกนึกคิดหรือสามารถที่จะแยกความรู้สึกนึกคิดนั้นออกไปจากใจได้ คือใจนี้เป็นอย่างหนึ่งความรู้สึกนึกคิดเป็นอย่างหนึ่งจะมองเห็นถึงอารมณ์ที่เข้ามาจะแยกกันได้โดยความตั้งใจมัน่นหรือความสงบในของจิตใจเราจึงต้องพยายามมาฝึกหัดใจดวงนี้ให้มีความสงบ เพราะปกติใจนี่มีอารมณ์อยู่เสมอเมื่อตาเห็นโลกหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องปวธทมพะหรือเมื่อเราไปอยู่เงียบๆคนเดียวไม่มีอารมณ์ภายนอกก็มีสัญญาอารมณ์คือความคิดเกิดขึ้นมาอีก นึกว่าเป็นธรรมอารมณ์นะเกิดขึ้นมารูปเสียงกินรสโวด ท, ทำพระธรรมอารมณ์เมื่อเข้าไปสู่ใจแล้วใจเป็นผู้รับหน้าที่รับรู้แล้วยีนี่เองเมื่อมีความหลงมีความตั้งมั่นน้อยก็จะวิ่งไปกับอารมณ์จะวิ่งไปกับอารมณ์ เกิดความรู้สึกยินดียินไล่ปรุงแต่งเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความกุดกิดใจหรือเกิดความรังเลยสงสัยอย่างนี้เป็นต้นเหนือกว่านิวรณิวรธ ร, รรมนิวรณ์นี้ก็เป็นธรรมะฝ่ายอกุศลที่ อยู่ในจิตใจเราเสมอและมีการปัะชันทะพยาบาทที่นามิทะอุทะจักุกขจาวิจิกิจฉาเป็นต้นนิวรธรรมนี้มาข้อบงมจิตใจแล้วจิตใจของเราก็ไม่สงบ จิตใจของเรามันก็วุ่นวายมันปกติใจเนี่ยจะมีความผ่องใสอยู่แต่นิวรณ์ทั้งห้าเนี่ยก็ไม่ได้ครอบงำ จ, จิตใจตลอดเวลาหรอกแต่่าครอบงำอยู่เสมอเสมอเราจึงต้องมาฝึกสมาธิ โดยที่พระพุทธเจ้าก็สอนเป็นหลักว่าอนาปานสตินูโรลมหายใจเข้านู่นลมหายใจออกเป็นต้นหรือกําหนดว่าหน้าใจเข้าพุทธหน้าใจออกโทเป็นอารมณ์เมื่อจิตของเราเนี่ยมีอารมณ์ที่ว่าเป็นกรรมฐานจะประได้นนึกคิดไปในอารมณ์ภายนอกจะสงบ เราต้องทําความเชื่อมั่นและทําความศรัทธาให้เกิดขึ้นกับการปฏิบัติภาวนาของเราเพราะเป็นธรรมดาว่าเมื่อเรามาปฏิบัติเราต้องการปัญญาเพราะรู้ว่าถ้าเรามีปัญญาและจิตเรามีปัญญาก็จะสามารถเอาชนะอวิชชาตันหาอุปาทานได้ ถ้าจิตจะมีปัญญาได้ก็ต้องมีสมาธิความตั้งใจมั่นสมาธิจะมีได้ก็ต้องมีศีลมีความสำรวมระวังเราต้องการที่จะเอาชนะกิเลสให้เป็นสมุเฉดทัพผ a h a คือผหารกิเลสได้หมด แต่จิตของเรามันไม่ตั้งมัน่นมันวิ่งไปกับอารมณ์เสมอกูบาอาจารย์ก็จึงสอนอรมถานในเบื้องต้นว่าการยืนการเดินการนั่งการนอนให้เรามีสติถ้าเราไปศึกษาอ่านในสติปัฏฐานสูตรข้อว่าด้วยกายกายานุปัสนาสติปัฏฐาน ก็คือกายเนื้อกายยาก็คือกายบวกคาว่าวิปัสนาเข้าไปก็เป็นกายยานุปนัสนาสติปัฏฐานคือการที่เอาสติมารู้เกี่ยวกับเรื่องของกายนี้เป็นอารมณ์แล้วที่วาวิปัสนานั้นก็คือการที่เราจะกำหนดให้เห็นความเกิดดับของกาย ซึ่งมีลักษณะเกิดดับอยู่แล้วเมื่อเรายืนเราเดินรูปที่ยืนก็ดับเมื่อเราเดินเรามานั่งรูปที่เดินก็ดับไปเมื่อเรานั่งเรามานอนรูปที่นั่งก็ดับไปเมื่อเรามานอนแล้วเราไปเดินขึ้นลุกขึ้นมารูปนี้ก็ดับไปเรื่อยๆคือเอาสติมาอยู่กับเรื่องของกาย การเคลื่อนไหวไปมาหรือการยืนการเดินการนั่งการนอนการเดื่มทําพูดการนิ่งการเหยียดแขนโค้งแขนรับประทานอาหารก็การตักอาหารไปใส่ในปากการเคี้ยวการกืนเราก็มีสติเมื่อเรามีสติมาอยู่เกี่ยวกับเรื่องของกาย ตอนนี้เราจะไม่คิดไปในเรื่องอื่นเลนะนะสติเรามาอยู่เรื่องของกายละจิตของเรามันก็สงบขึ้นมาได้นะจิตของเราสงบขึ้นมาได้บางครั้งเมื่อจิตของเรามันนิ่งเราเห็นกายมันเคลื่อนไหวเราจะมีความรู้สึกว่าเป็นเหมือนกับหุ่นยนต์ที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมา เมื่อเรานิ่งมากไปอีกก็จะรู้ขึ้นว่าโอ้นี่มันสักทวกายนะไม่ใช่ตัวเราเลยนะเพราะเมื่อเรามีความรู้สึกสงบอยู่ที่จิตแล้วจะมองจะเห็นอย่างนี้ตอนนี้ที่เราจะไม่เห็นนั้นเพราะจิตนี่มันไม่สงบเพราะมันรับรู้อารมณ์มาก็นึกคิดปร่งแต่ง ไปอยู่เงี ย, งยบๆในป่าในเขาหรืออยู่ในสถานที่เงียบสงัดก็เกิดสัญญาอารมณ์ทำามามณ์เกิดขึ้นมาอีกทำให้ใจของเรามันก็วุ่นวายไปไม่สงบคราว น, นี้เมื่อเราเนี่มาฝึ ก, กจิตทำให้จิตของเรานิ่งสงบอย่างนี้ ก็จะมองเห็นกายนี่ชัดว่ากายที่มันเคลื่อนไหวไปมาอยู่นะสักแต่ว่ากายตรงนี้ต้องพิจารณาเด็กคำว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าเป็นกายที่เราเรียกหรือเราสมมุติไม่ใช่สัตว์เนื้อไม่ใช่เป็นบุคคลไม่ใช่เป็นตัวตนไม่ใช่เป็นเราแล้วไม่เป็นเขาเขาเป็นธรรมชาติ ที่เขายังเคลื่อนไหวไปมาได้เขาก็เป็นอย่างนั้นจิตก็จะมีความรู้ที่ซึ้งจิตนีิซึ้งใจขึ้นมานี่ว่าภาวนามยะปัญญารู้ขึ้นเห็นขึ้นมาว่าสมาธิของเรามันตั้งมั่นพอถ้าเกิดปัญญาจิตของเราก็หลุดพ้นจากอุปาทาน ความยึดถือได้โชคข่าวเป็นตะทางฆาวิมติหนุดพ้นโชคข่าวอันนี้เป็นสัมมาสมาธิคือจิตสมาธิที่ตั้งมั่นเพื่อความหนุดพ้นเมื่อมาพิจารณาแล้วเกิดปัญญาเห็นความเกิดดับสมัยที่ธรรมมาไปศึกษาที่วัดหนองป่าพงหลวงพ่ชาท่านเทศว่า อารมณ์ของวิปัสสนานั้นก็คืออนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถ้าเรามีอารมณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอารมณ์ของใจใจเราจะเกิดปัญญาในเบื้องต้นเรากาหนดสติ การยืนการเดินการ น, นั่งการ น, นอนมีสติถ้าเรากําหนดสติอย่างเดียวอย่างนี้บางครั้งจิตของเรามันยังวุ่นวายเราก็ใช้คําบริกรรมภาวนากํากับที่แบพุทโธเมื่อเรานั่งลงไปก็ทําความรู้สึกตัวว่าพุทโธเรารู้ว่าเรานั่งเรายืนเราเดินนั่งนอนเดิมทำพูด เกินไหวไปมาเหยียดแขนคู่แขนการดืม่มการรับประทานอาหารก็นึกถึงคำว่าพุทธโธคือรู้ว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่กากับใจของเราไปอีกขั้นหนึ่งจนจิตใจของเราสงบนิ่งอยู่กับคำบริกรรมหรือสติที่กำหนดรู้ในเรื่องของกาย เมื่อเราทำอย่างนี้บ่อยๆเสมอบางครั้งจิตรวมนิ่งสงบขึ้นมาจึงเห็นมัสสัคแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเหาเขานี่เกี่ยวกับอริยบทบัพพะของกายแล้วก็กายก็นี่เองอันเป็นที่ตั้งของสติ เมื่อเรามาพิจารณากายกอนี้ล่ะให้เห็นว่ามันเป็นธาตุแยกออกมาเป็นธาตุเหมือนเขาชมแหล่เหมือนเขาชมแหลว่วัวนกโคนั่นแหละเอากระดูกเอาเนื้อไปกองไว้กองหนึ่งเอาเกี่ยวกับน้ําเลือดเอามาไว้อีกองหนึ่ง าธาตุลมกองหนึ่งาธาตุไฟกองหนึ่งนักกพิจารณากายก้อนนี้เป็นแบบนั้นเห็น <c oughs> ว่าเป็นาธาตุทั้ง4ที่แยกออกมาเป็นาธาตุดินาธาตุน้ำาธาตุไฟธาตุลมในลักษณะที่มันมีความแข็งาธาตุที่แข็งก็เรียกว่ า, าธาตุเป็นาธาตุดินลักษณะที่มันมีความอ่อน อบอับได้เราเป็นธาตุน้ําความร้อนเป็นธาตุไฟว่าเป็นดินน้ําไฟลมนั่นเองแล้วเราก็มาพิจารณาดูธาตุทั้งสี่เนี่ยเห็นกายนี้เป็นธาตุอย่างนี้รวมประชุมกันขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาเมื่อเรากระจายธาตุนี้ออกไปแล้ว หาความเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเข้าไม่ได้เราจะเห็นว่าเป็นสัตว์แต่ว่ากายเมื่อเห็นสัตว์แต่ว่ากายก็คือเราเห็นว่ากายก้อนนี้เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่เหตุตนที่แท้จริงเราก็จะได้เห็นความเป็นจริงหรือเห็นตน เห็นตนที่เราสมมติอยู่หรือว่าตัวเราเนี่ยว่าตัวเราเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นตนตัวนี้ว่ามันไม่ใช่ตนแล้วเห็นตนที่แรกเป็นตนสมมติเห็นตนว่าไม่ใช่ตนนั่นก็คือเห็นสิ่งที่เราเคยยึดถืออยู่ว่าเป็นตัวเรานี่ปัจจุบันเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในว่าคนนี้เป็นคนที่เห็นตนแล้ว เพราะมื่อก่อนนั้นมีแต่ตนแล้วก็หลงในตนว่าเป็นตัวตนจริงๆเป็นเหตุให้เกิดความโลภความโกรธความหลงอยู่เสมอในจิตใจเป็นนิ ว, นวรณ์ธรรมก้มลมใจของเราอยู่เสมอมาไม่ได้ว่างเว้นละเมื่อเรามาปฏิบัติตามที่ หลวงปู่ชาท่านแนะนำเนี่ยคือความมีสตินักษาใจนักษาใจไว้เมื่อใจของเรามีความรู้สึกเป็นอย่างไรใจมีความยินดีหรือใจมีความยินร้ายก็มีสติรู้ไว้เมื่อรู้แล้วก็ควบคุมกายวาจาของเราไว้อยู่ในศิน บางครั้งกิเลสเกิดขึ้นมาเราไม่อยากให้กิเลส ม, มีเลยอันนี้ก็เป็นความเห็นที่ผิดเพราะธรรมชาติกิเลสมันยังมีอยู่ก็ให้รู้ไว้ทนเองกําหนดรู้ว่ากิเลสมันเกิดขึ้นมาแล้วเป็นอคตศสจิตเกิดขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะละไปแต่อย่าละด้วยตัณหาคืออยากให้มันหมดไปหรือไม่อยากให้มีความเกิด อ, อีกไม่ได้ หรืเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นมาอยากให้ทุกข์มันหมดไปก็ไม่ถูกต้องต้องกําหนดรู้ไว้มีความอดทนพยายามมีความเพี่ยนละอกุศลในจิตที่เกิดขึ้นพยายามละอกุศลที่ยังไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดเมื่อเราทำเช่นนี้ก็เรียกว่าเรามีสติมีปัญญา ที่จะพยายามทำกุศลให้เกิดขึ้นนั้นเราก็ต้องมีความเพียรที่จะรักษาเอาไว้ไม่ท้อถอยฝึกหัดปฏิบัติมีสติอยู่ในกายก้อนนี้แหละหรือจะพิจารณากายก้อนนี้มีเกศาโรมานะขาธันตาตาโจนี่มีอาการ32 พิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้นะที่บ่าเป็นเรานี่ประกอบด้วยอาการ32รวมตัวกันเข้ามาแล้วไม่มีอะไรที่ในกายนี้ที่เป็นความงามมองถึงความไม่งามสติของเราก็สงบขึ้นมามีสมาธิตั้งมัน่นปัญญาก็จะเกิด สรุปลงท้ายก็เหมือนกันว่ากายศัก์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนื้อจะกำห น, นดเป็นอสุภะกรรมฐ า, านสิประการตั้งแต่ว่าเมื่อคนเราตายแล้วเป็นอย่างไรสังขารร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปทีละอย่างทีละส่วนตั้งแต่ว่าขึ้นสีเขียวขึ้นเอือกขึ้นพอง น้ำเบิดน้ำเหลืองไหลจนกระดูกมันเนี้ยล่าออกไปเป็นอาหารของหมูสัตว์ทั้งหลายนั่มันก็สลายลงไปเป็นดินหาตัวหาตนไม่ได้จิตนิ่งสงบแล้วก็มีความรู้ว่ามันเป็นสักธว่ากายเท่านั้นเองไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่ในเรื่องการมีสติอยู่ที่กาย เนื้อจะกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทจิตสงบนิ่งเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปลมหายใจใหายใจเข้าเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่หายใจออกก็ดับไปชีวิตเหล่านี้เป็นอยู่ได้เพียงลมหายใจเข้าออกนี้เท่านั้นหายใจเข้าแล้วเมื่อไม่ออกก็ตายแล้ว หายใจออกไม่เข้าก็ตายร่างกายนี้เป็นอยู่ได้เพราะอาศัยลมหายใจนี้ต่อเนื่องเชื่อมโยงแล้วทำไมเราจึงคิดว่าเราจะไม่ตายเมื่อเราเห็นว่าร่างกายนี้มันก็ต้องตายอย่างนี้นะมันจะหาสาตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่ไหนไม่มีจิตของเราก็จะรู้เกินมา สามารถละกลิเลสให้เป็นสมบูชิตถ้าผ า, ารได้ถึงจะละไม่คาทั้งหมดก็ละได้ชั่วคราวแต่เมื่อเราละได้บ่อยๆสมาธิก็จะตั้งมั่นได้ดีขึ้นปัญญาก็มีมากขึ้นการปฏิบัติของเราก็ดีขึ้นมาการสมบรวมระวังในกายวาจาก็ดีขึ้นแล้วต่อมา เราทําความเพียรต่อเนื่องไปอีกศรัท ธ, ธาที่เราเคยเชื่อเราเคยได้อ่านได้ยินได้ฟังเราก็มีศรัท ธ, ธาอยู่ระดับหนึ่งต่อมาเราก็จะมีความเพียรพยายามมากขึ้นจิตใจของเรานั้นจะมีกําลังที่จะปฏิบัติที่จะมีสติเพราะเห็นผลในการปฏิบัติ วัตถะสิ่งทั้งหลายในโลกอันเป็นวัตถุสิ่งของในโลกนี้ที่ทุกๆคนทุกๆจิตปรารถนากันนั้นล้วนแล้วแต่ว่าเป็นสมมตุติตกอยู่ในสภาพของตาลรักคืออนิจจังทุกขังอนัตตาตัวเราเองก็จะต้องตายแล้วเราจะเอาในโลกนี้ไปได้อย่างไรมาเป็นตัวของเราเรือของของเรา เห็นว่าไม่มีสาระไม่มีประโยชน์ไม่มีแก่นสารที่แท้จริงเราจะหาสิ่งที่แท้จริงในใจของเรานี้ดีกว่าความศรัทธาความมุ่งมั่นนั้นก็จะตรงดิ่งไปเพื่อนที่ผ่านไม่ค้องแวะไปที่ไหนปฏิบัติอยู่ในทานศีลภาวนาได้เป็นอย่างดีเมืออ่อเราปฏิบัติเช่นนี้บางครั้งสมาธิไม่ตั้งมั่นปัญญาไม่เกิด จิตใจของเรามันกับวุ่นวายเหมือนคนไม่เคยปฏิบัติมาก่อนปิติใจสุกใจก็ไม่มีอารมณ์ที่เข้ามาก็เกิดความโลภความโกรธความโงหเลยเต็มที่เหมือนกันก็ต้องพากันอดกัน้นอดใจเอาไว้สะก่อนมีขันติพิจารณาแล้วก็เพียรพยายามปฏิบัติไปอีกนใจนจิตใจของเรามันรวมได้ขึ้นมา อาจจะมีสภาวะทำปากรากฏขึ้นมาได้เห็นชัดว่ากายก้อนนี้มันสักแต่ว่ากายจริงๆเมตนาะมก็อยู่กับกายนี้กายนี้ไม่มีเวทนาก็ไม่มีเห็นแจ้งชัดจิตใจก็จะมีความอาหรรบันเทิงในธรรมเป็นอย่างมากาผลแห่งการปฏิบัติในปากฏขึ้นมาแล้วแก่ผู้ปฏิบัติธรรม เมื่อเราเพียนพยายามต่อเนื่องเชื่อมโยงไปบางครัง้งจิตจะรวมเข้ามามีความสงบได้เย็นจิตเย็นใจเราก็จะเข้าใจชัดในเรื่องของความสงบเมื่อมีความคิดมันก็แยกจากจิตใจไปอยู่แล้วไม่เกี่ยวข้องกันกจิตนี้เป็นอย่างหนึ่งเวทนาเป็นอย่างหนึ่งความคิดเป็นอย่างหนึ่งเราก็เห็นชัดเราก็จะเข้าใจคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ อย่างชัดเจนมากขึ้นทำที่เราได้พยายามเปียนปฏิบัติก็มีผลเกิดขึ้นมาแก่เราอย่างน้อยเกิดความสุขเกิดความสงบขึ้นมาในครอบครัวเพราะเราตั้งมั่นอยู่ในศีนลธรรมคุณงามความดีมีศีลห้าเป็นปกติหนักพัฒนาให้มีความสุขทางจิตใจของเรามันเลิกซึ่งขึ้นไปจำเนื้งขั้นว่าเราทําสมาธิทําได้ ทำบุญทำทานฟังเทศฟังธรรมก็เกิดความปิติใจสุขใจเจตของเราก็จะพัฒนาขึ้นไปตามระดับจนมีศรัทธาในการเดินโยมนั่งสมาธิบางครั้งก็มีศรัทธาถึงเนสชิกไม่นอนทั้งคืนก็ได้เพราะเร็งเห็นแล้วว่าเมื่อเรายังมีชีวิตมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็จะพยายามเพียรปฏิบัติต่อสู้กับอารมณ์ มากกว่าปกติธรรมดาปกติคนเราก็ต้องมีการพักผ่อนหลับนอนกันห้าชั่วโมงหกชั่วโมงแต่เราเพียงพยายามเดินอยน่างกรมนั่งสมาธิฝึ ก, ก จ, จิตใจพจะต่อสู้กับนิวรณ์คือความง่วงสู้ได้บ้างสู้ไม่ได้บ้างแต่ก็พยายามอดทนต่อสู้ไปเมื่อเราทำอย่างนี้ได้บ่อยจิตของเราก็มีกำลัง แม้ได้พักสักวันละหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเราก็อยู่ได้เพราะเราฝึกจิตใจของเราไม่ให้เป็นทาาของนิวรัก็คือความง่วงเมื่อเราเพียนพยายามปฏิบัติเช่นนี้ไปจิตก็จะสว่างไสวจิตจะแยกจากอารมณ์ได้เกิดปิติเกิดความสงบใจขึ้นมาเป็นผลแห่งการปฏิบัติความเพียนพัาญาญของเรา จากจิตที่สงบได้เป็นกัญยาชนก็จะพัฒนาขึ้นไปรู้เห็นตามความเป็นจริงของกายสังขารก้อนนี้บอกสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาโดยมีความเชื่อมั่นหรือมีความศรัท ธ, ธาในจิตใจเราลงไปว่าแนวทางปฏิบัติที่พ่อแม่ครูบาาจารย์น้องปู่ม่านน้องปูชา ท, ที่ท่านได้สอนมาแล้ว เป็นแนวทางที่เราจะปฏิบัติพ้นทุกข์ได้จริงจึงมอบ ก, กายถวายชีตกับแนวทางปฏิปทานี้แล้วก็พยายามทำตามความตั้งใจที่เราได้ตั้งใจไว้โดยความมีสติของเราอยู่เสมอสมบูรณกายวาจายอยู่ในศีลหรือสร้างคุณงามความดีมีทานเป็นต้นอยู่เป็นประ จ, จํา จนจิตของเรามันสงบขึ้นมานะ่ะเราถึงจะเข้าใจชัดได้ว่าแนวทางปฏิบัติที่เรามีศรัทธาได้เบื้องต้นนั้นนะเราปฏิบัติแล้วได้เห็นผลจริงๆจะมีศรัทธาเกิดขึ้นอีกในใจของเราเป็นศรัทธาที่มีความตั้งมั่นได้อย่างดีไม่หวันไหวเนื้อเป็นอาจารย์าศรัทธาเพราะเกิดธรรมะเกิดขึ้นมาในจิตใจของเรานั่นเอง เมื่อจิตสงบพิจารณาการแล้วเกิดปัญญาจิตนี้ก็แยกจากกายได้เป็นส่วนหนึ่งจึงเข้าใจแล้วว่าแนวทางตรงนี้เราจะได้รู้เราจะได้เห็นธรรมได้ความเพียรพยายามก็ดีจะมีมากขึ้นเองโดยไม่ต้องพยายามให้เป็นความเพียรจะเป็นเองสติก็ดีสมาธิก็ดีก็จะหมุนไปเองเป็นโพชฌงเป็นองค์การตัดสรุ เหมุนไปเมื่อจิตของเราทําอย่างนี้อย่างต่อเนื่องแล้วบุคคลนั้นจะต้องรู้ทำเห็นธรรมอย่างแน่นอนในในเบื้องต้นพชินวรวนยังสั่งสอนให้พวกเราให้พยายามทํามองเห็นโทษมองเห็นไปในวัฏฏะสงสารที่เราเกิดขึ้นมายาวนานพบแล้วพบเราเกิดตายเกิดตายเกิดตายอยู่อย่างนี้ไม่มีวันที่จะสิ้นสุดลง กิแต่ละพบแต่ละชาติก็เป็นทุกข์เพราะเมื่อมีสังขารขึ้นมาโทษของสังขารก็คือความมันเสื่อมมันสิ้นไปถ้าร่างกายเราแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปมันก็ยังพอทุกข์อยู่บ้างแต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเสื่อมไปเนะจะเห็นความทุกข์มันมากขึ้นเป็นเทวีคูณทีเดียวจึงต้องมาพิจารณาให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพยายามเพียนปฏิบัติเมื่อเรากําลังมีกําลังกาย สังขารนี้ยังแข็งแรงอยู่ก็าพากันสร้างคุณงามความดีฝึกสติของเราให้ตั้งมัน่นจนสมาธิของเราเกิดก็พิจรารณาแล้วจิจะหลุดพ้นจากกิเลดได้โดยไม่ยากเราจะไม่ลังเลสงสัยในแ น, แนวทางปฏิบัติเก็บความสงสัยเอาไว้เพราะความสงสัยถ้าเรามีสติรู้เท่าทันก็เห็นความเกิดดับของความสงสัยนั้นว่าไม่ใช่เรา ฟังดูแล้วก็ง่ายๆน้องปุชาท่านก็บอกว่าให้มีสติดูความเกิดขึ้นดับไปของความสงสัยแล้วเราดูแล้วดูแล้วจะเกิดอะไรอีกละ่ะความสงสัยมันก็สอดแทรกกลับมาอีกเพียงเห็นความเกิดดับของความสงสัยเท่านั้นเหรอในการปฏิบัติรู้สึกเรามันต้องการความยุ่งยากมากกว่านั้นแท้จริงมีสติรู้เท่าทันความสงสัยรู้เท่าทันความในอารมณ์นั้น จิตก็สงบแล้วมีปัญญาแล้วเห็นความเกิดขก้นตั้งอยู่ดับไปความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไ ป, ตบไปแต่ในเบื้องตอน้นยังไม่เห็นชัดเพียงเห็นบ้างก็เกิดความสงสัยซับซ้อนขึ้นมาพาให้จิตหมุนวนหาทางออกไม่ได้แต่ถ้าเราหลงอยู่ในทางแล้วเราแจ้งชัดประทางนี้แหละเป็นทางที่จะออกจากป่าได้เราตรงดิ่งไปอย่างนั้นเป็นทางที่ถูกแล้ว เราก็ออกมาได้ในแนวการปฏิบัติถ้าเรายังสงสัยอยู่นักก็ไม่ลงมือทําเราก็ไปไม่ได้แต่ถึงจะสงสัยไปก็ตามแต่ก็ยึดมั่นในแนวทางของครูบาอาจารย์เอาไว้นัก็ปฏิบัติไปตามแนวทางนี้เราก็จะเห็นชัดแจ้งได้นัก็พิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่จิตใจนี้ว่าจิตใจกับสั์เตวัจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเหมือนกัน อะไรๆที่เกิดขึ้นใจมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็วางใจตรงนี้เอาไว้อีกอย่าไปยึดประเป็นใจของเราใจของเขานะมีสติมีปัญญาปลอดโปร่งแล้วก็ปล่อยวางไปจิตของเราก็จะพ้นทุกได้มาขอให้พากันตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติภาวนาไปพิจารณาตามที่อธมมาได้ โปรดตามธรรมะตามแนวทางที่หลวงปู่ชาท่านได้สอนเอาไว้ที่ไปศึกษามากระท่านแล้วก็ปฏิบัติตามแนวทางนี้ไปแล้วบอกเราก็จะได้รู้ทำเห็นทำหรือได้บรรลุธรรมเพราะเราเห็นว่ากายสักทวัคกายจิตสักทวัคจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาคือมีสติอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมนี้เองก็งสามารถที่จะรู้ทำเห็นทำบรรลุธรรมได้ ก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมในเบื้องต้นจนตลอดถึงบรุษธรรมทุกกันทุกทุกท่านเถิน